การเสียสะละหลักการใหญ่ในการเสียสละตามพระพุทธประสงค์ท่านวางไว้ดังนี้พึงสละทรัพย์เพื่อรักษาอวัยวะพึงสละอวัยวะเพื่อรักษาชีวิตพึงสละชีวิตเพื่อรักษาธรรมเท่าที่ผมได้พบมาหลักการที่กล่าวนี้รู้สึกว่าเป็นหลักการที่สมบูรณ์แบบทุกแง่คือจะเลงทางตำราก็ได้ความดีเลงทางปฏิบัติก็ปลอดโปร่งดังจะกล่าวต่อไปทางตำราเราจะเห็นได้ว่า ท่านได้ประมวลสมบัติของมนุษย์คนหนึ่งหนึ่งมาเรียงลำดับไว้ตามลำดับน้าหนักหรือคุณค่าอันควรสงวนจากดีน้อยไปหาดีมากทรัพย์อวัยวะชีวิตธรรมทรัพย์เป็นสมบัติที่มีค่าต่ำที่สุดอวัยวะมีค่าสูงกว่าทรัพย์ชีวิตสูงกว่าอวัยวะและธรรมสูงกว่าทุกสิ่งทุกอย่างในทางปฏิบัติ เราใช้เป็นสูตรของการเสียสระได้ดีที่สุดคือท่องจำสมบัติของเราไว้ให้คล่องปากว่าทรัพย์อวัยวะชีวิตธรรมการเสียสระก็สระของดีน้อยเพื่อของดีมากเสมอซึ่งเป็นวิธีที่ไม่ผิดและนักปรานไม่ตำหนิคนเราที่ถูกตำหนิว่าเป็นคนชั่วคนเสียก็นเนื่องจากการเสียสระผิดวิธีคือไปสระสิ่งที่มีค่ามากเพื่อของมีค่าน้อยกว่า เช่นการขโมยเอาทรัพย์คนอื่นที่ถูกตำหนิก็เพราะผู้กระทำได้สละศีลแต่วงเล็บธรำซึ่งเป็นของสูงสุดเพื่อแลกเอาทรัพย์ซึ่งอยู่ในลำดับต่ำใครสละผิดลำดับอย่างนี้ไม่พ้นเสียยิ่งข้ามลำดับกันไกลดังตัวอย่างที่เคยยกมันนั้นยิ่งเสียมากเรื่องการเสียสละนี้ข้าพเจ้าควรจะแสดงปาทกถาเป็นเรื่องหนึ่งต่างหาก เพราะมีเหตุผลควรคบคิดอยู่อีกมากจึงขอสรุปเพียงย่อๆว่าพอบ้านแม่เรือนจำเป็นต้องมีน้ำใจเสียสละเพื่อผู้อื่นเพื่อสังคมและเพื่อประเทศชาติสละอารมณ์สำหรับแขนงที่สองคือสละอารมณ์เป็นข้อที่น่าศึกษามากเพราะการเข้าใจและปฏิบัติได้ถูกต้องย่อมเป็นเครื่องประดับความสุขของผู้ครองเรือนอย่างดีที่สุดก่อนอื่นโปรดเข้าใจว่า ชีวิตประจําวันของชาวบ้านอย่างเราต่างจากชีวิตของชาววัดมากชีวิตของชาววัดคือพระภิกษุสามเณรเป็นชีวิตที่ห้อมล้อมด้วยบุคคลที่มีระเบียบควบคุมตัวเองอยู่แล้วมีเรื่องวุ่นวายน้อยมีความลําบากยุ่งเหยิงไม่หนักหนาส่วนชีวิตของคนชาวบ้านคือพวกมีเรือนอย่างเราเราท่านท่นนี้เต็มไปด้วยสิ่งแวดล้อมและบุคคลที่จะก่อให้เกิดความยุ่งเหยิงมีภัยและความกดดันอยู่ทุกขณะ ผมคิดเปรียบว่าชีวิตของชาววัดเหมือนเดินอยู่ในสวนดอกไม้มีภัยน้อยส่วนชีวิตของชาวบ้านเหมือนเดินอยู่ในโดงในป่าทุกสิ่งทุกอย่างรุงรังขาดระเบียบและมีอันตรายรอบด้านว่าถึงด้านยุ่งชีวิตชาววัดเหมือนน้าในตุ่มแม้ถูกลมพัดกระเพื่อมเป็นระรอกซัดกันประเดี๋ยวก็สงบแต่ชีวิตชาวบ้านเหมือนน้ําในทะเลหลวงไม่เคยนิ่งเป็นคลื่นซัดกันโครมโครมชั่วตาปีตาชาติ ผมคิดว่าถ้าจะเอาความสุขกันแล้วบวชเป็นพระสุขกว่าแต่ก็อย่างว่านั่นแหละพระสุขจริงแต่สุขแห้งๆไม่เหมือนชาวบ้านสุขแบบชาวบ้านมันชื้นๆ ช, ชอบกลสุขๆทุกๆเหมือนกินต้มยำที่ทั้งร้อนทั้งเผ็ดก็อร่อยดีเหมือนกันการอาบน้ำเป็นสิ่งจำเป็นยิ่งพิเศษสำหรับคนที่ทำงานคลุกคลีอยู่กับของสกปรกฉันใดาจาคะคือการเสียสละอารมณ์ ก็เป็นสิ่งจําเป็นพิเศษสําหรับคนชาวบ้านผู้ซึ่งต้องใช้ชีวิตเกลือกลั้วอยู่กับความสับสนของโลกตลอดเวลาเหมือนกันท่านผู้ฟังคงจะยังระลึกถึงปาฐกถาเรื่องจิตที่ผมแสดงที่นี่เมื่อปีกลายได้บ้างผมได้เรียนให้ท่านทราบว่าจิตของคนเรามีอาการพิเศษอยู่อย่างหนึ่งคือเป็นธรรมชาติเก็บสังสมอารมณ์ที่ผ่านมาในรัศมีที่จิตจะพึงรับรู้ได้ตัวอย่างเช่นเพียงแต่ท่านเดินทางจากบ้านมาฟังปาฐกถาวันนี้ จิตของท่านก็รับเอาอารมณ์หลายอย่างยืนคอยรถเมที่ป้ายต้นทางรถผ่านไปคันแล้วคันเล่าไม่แวะรับรู้สึกขัดใจครั้นขึ้นรถได้แล้วเกิดคนแน่นไม่มีที่นั่งขัดใจเด็กกระเป๋าพูดจาไม่เข้าหูขัดใจอีกถึงป้ายตรงก้าชั้นแล้วบอกให้จอดเขาไม่ได้ยินรถเลยไปถึงห้างใต้ฟ้าต้องเดินย้อนกลับมาขัดใจอีก เดินทางเข้าตรอกวัดกันทางเดินเฉอะแฉะขัดใจอีกจนกระทั่งกำลังฟังปาฐกถาอยู่นี้บางท่านก็อาจขัดใจที่ผู้เป็นพาถกพูดไม่เป็นเรื่องเป็นราวแล้วจิตก็สั่งสมเอาไว้อารมณ์ประเภทนี้ข้าพเจ้าขอเรียกว่าอารมณ์เน่าการที่เราเก็บอารมณ์เน่าหมักหมมเอาไว้มากๆนั้นไม่ดีเลยเพราะคนเราลงได้มีอารมณ์เน่าหมักหมมอยู่ในจิตแล้วไม่ว่าจะเกิดเรื่องอะไรขึ้นมันก็พลอยเสียไปหมด เหมือนกับท้องเฟอ้อลงได้ท้องเฟ้อแล้วต่อให้กินอาหารดีๆลงไปมันก็พลอยเฟ้อไปด้วยกันหมดเพราะพื้นมันเสียเสียแล้วของใหม่ก็เลยเสียไปด้วยคนที่ช่างเก็บอารมณ์เสียๆไว้ก็เหมือนกันใครทำอะไรล่วงเกินพอที่จะเลิกไม่เลิกพอที่จะลืมไม่ลืมผลที่สุดใจก็เน่าภาษาชาวบ้านเรียกว่าลมเสียลงได้ลมเสียแล้วเห็นอะไรมันขวางในตาไปหมด แต่เด็กลมเสียก็เขยังชั่วหน่อยริดเด็ดไม่เท่าไหร่ผู้ใหญ่ลมเสียสิเด็กๆต้องระวังตัวรีบทีเดียวเพราะอาจโดนทั้งขึ้นทั้งล่องก็ได้โทษที่เห็นได้ชัดคือการที่เราสั่งสมอารมณ์เน่าไว้มากๆนั้นทําให้จิตใจของเราหย่อนสมรรถภาพลงอย่างเห็นได้ชัดทีเดียวถ้าลมเสียมากๆนักเขียนก็เขียนไม่ไปนักพูดก็พูดไม่เป็นรสเป็นชาติแม่นักปาถกก็จนปัญญาข้าพเจ้าเองก็ต้องคอยระวังตัวเหมือนกัน เฉพาะอย่างยิ่งก่อนเวลาจะแสะดงปาทะกะถาถ้าจิตเกิดกินอารมณ์เน่าอะไรเข้าไปเป็นไม่ได้เรื่องทีเดียวข้อร้ายก็คือว่าการเก็บอารมณ์เน่าไว้นั้นมันทําให้เราทุกข์ผัวเมียอยู่ด้วยกันเป็นเวลา10บสบปีมันก็ต้องมีการขัดใจกันบ้างถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้งสองฝ่ายต่างชอบเก็บอารมณ์เน่าด้วยกันมันก็ทะเลาะ ก, กันไม่รู้จักจบของมันเสร็จไปแล้วก็ไม่ยอมเสร็จทะเลาะ ก, กันทีไรเป็นยกเอาเรื่องเก่ามาบวกเข้าทุกที แย่จริงๆคนประเภทนี้หาความสุขได้ยากทุกจนตายที่ว่าจาคจาคะนั้นก็คือการทิ้งอารมณ์เน่าออกไปจากจิตนั่นเองคนแบกศพผมจะสมมติตัวอย่างให้ฟังสมมติว่าที่นี่เป็นบ้านของคนคนหนึ่งวันหนึ่งเกิดมีคนโยนศพเข้ามาในบ้านนี้ตาชกของบ้านพอเห็นคนโยนศพเข้ามาก็รู้สึกไม่พอใจนึกว่าใครนะมันดูถูกได้โยนศพเข้ามาในบ้านเรา แล้วก็อุ้มเอาศพนั้นไว้เข้านอนอุ้มศพเข้าไปด้วยปากก็บ่นว่าเหม็นจริงนอนไม่หลับตื่นนอนจะรับประทานอาหารก็อุ้มศพเข้าไปที่โต๊ะอาหารด้วยปากก็บ่นว่าเหม็นกินข้าวไม่ลงไปทํางานก็อุ้มศพไปด้วยปากก็บน่นเหม็นทํางานไม่ได้ท่านผู้ฟังทั้งหลายบุรุษผู้นี้ได้รับความทุกข์อย่างสาหัสเขาเหม็นจนไม่เป็นอันกินไม่เป็นอันนอนไม่เป็นอันทํางานถ้าเขาวิ่งมาหาท่าน ท่านจะช่วยให้คำแนะนำเขาอย่างไรถ้าบุคคลผู้เคราะห์ร้ายนี้ไปขอคำแนะนำจากคนที่ไม่ได้ศึกษาอบรมธรรมะคนเหล่านั้นก็จะแนะนำว่าไปรีบไปไปสืบดูสิว่าใครบังอาจโยนศพเข้ามารู้ตัวมันแล้วจงด่ามันให้เจ็บๆหรือตีหัวมันหรือไม่ก็ฆ่ามันเสียปรุษนั้นก็อุ้มศพวิ่งปุเลงปุเลงเที่ยวค้นหาว่าใครเป็นคนโยนศพพอรู้ตัวก็ด่าเอาด่าเอาหรือตีให้หัวแตกหรือฆ่าให้ตาย ข้าพเจ้าขอถามว่าเมื่อเขาฆ่าคนโยนศพแล้วเขาจะพ้นจากความเหม็นหรือไม่จ้างก็ไม่พ้นก็เกยังเกาะศพไว้แน่นมันจะหายเหม็นได้อย่างไรแต่ถ้าบุรุษนี้เข้าไปเฝ้าขอคําแนะนําจากพระพุทธเจ้าพระองค์จะรับสั่งว่าทิ้งบุรุษโยนมันทิ้งเสียแล้วพอเขาโยนศพทิ้งเขาก็หายเหม็นคําว่าทิ้งเสียนั่นแหละคือจาฆ่า ซึ่งในที่นี้หมายถึงการทิ้งอารมณ์เน่าบางคนรู้เหมือนกันว่าการเก็บอารมณ์เน่าต่างๆไว้มันทุกข์แต่ทิ้งไม่ลงบางคนถึงกับปฏิญาณเลยว่าเธอข้าจะจำไว้จนวันตายอะไรเหล่านี้แหละเป็นพวกหัวการค้าจัดอย่างนี้คิดแต่เรื่องกำไรขาดทุนมันก็ปิดบัญชีไม่ลงแต่หานึกไม่ว่าการที่เราไปเที่ยวจำอารมณ์เน่าๆขี้หมูราขี้หมาแห้งเหล่านั้น ยังค้างใจของเราอยู่เป็นการเสียดอกเบีย้ยอย่างแพงโดยไม่รู้ตัวอารมณ์เน่าที่เราจดจําเอาไว้นั่นแหละมันจะกลายเป็นหนามคอยแทงใจเราเสมอถ้าเราไม่ปล่อยวางมันอย่างผัวเมียบางคู่ชาบแตกใบเดียวแต่ปีมะโรงก็เอามาลําลิเกทะเลาะกันอยู่ได้จนกระทั่งปีมะเสง็งเพราะไม่รู้จักปล่อยวางพอนึกถึงที่ไรความทุกข์มันก็กินใจของเราทุกทีสมมติว่าเรามีแก้วอยู่ใบหนึ่งเรารู้สึก ชอบมันมากครั้นอยู่มาวันหนึ่งลูกเราหรือคนใช้ของเราเกิดทำแก้วไปนั้นแตกเสียเรารู้สึกไม่พอใจเสียดายแล้วก็จำเหตุการณ์นั้นไว้นึกแต่ว่าไม่น่าเลยครั้นต่อมากี่เดือนกี่ปีก็ตามเราเดินไปตามร้านขายของไปเจอแก้วชนิดเดียวกันเข้าก็นึกโธเอ้ยแก้วอย่างนี้ของเราก็มีแตกเสียได้ ร่วมไปอีกหลายเวลาที่บ้านคุณรู้จักกันบังเอิญเขาเอาแก้วชนิดนั้นตักน้ำมาต้อนอรับเราพอเราเหลือบเห็นเท่านั้นก็นึกโธ่เอ้ยของเราก็มีแตกเสียได้แล้วต่อไปอีกกี่ปีกี่เดือนก็ตามถ้าเราไม่มีการปล่อยวางอารมณ์เน่าอันนี้มันก็จะต้องเล่นงานเราอยู่ร่ำไปโธ่เอ้ยทีไรก็ถูกความทุกข์เฉือนใจทุกทีตกลงว่าแก้วใบนั้นน่ะมันแตกของมันหนเดียว แต่มันมาแตกเปรี้ยวๆอยู่ในใจของเราอีกร้อยครั้งพันครั้งนี่แหละผลของการไม่ปล่อยวางแต่ถ้าแก้วแตกเราก็ยอมรับรู้ว่าของที่มันแตกได้มันได้แตกของมันแล้วแล้วกันไปเท่านี้ก็สิ้นเรื่องในเรื่องการล่วงเกินของคนอื่นก็เหมือนกันยกตัวอย่างเช่นถูกเขาด่าแล้วเราจำเอาคำด่าของเขาไว้พอนึกถึงคาด่านั้นทีไรมันก็ทุกทุกที ความจริงคนที่เขาด่าเราก็เสร็จธุระของเขากินได้นอนหลับสบายไปแล้วแต่เราเองสิอุตส่าห์ไปจาคาด่าของเขาไว้จำไว้ทำไมเอาไว้ด่าตัวเราเองใช่ไหมเขาด่าเราหนเดียวแต่เราด่าเราเองร้อยครั้งพันครั้งใช่หรือไม่ถ้าจะมีคนคนหนึ่งเห็นใครโยนมเมล็ดตำยาเข้ามาที่หน้าบ้านรู้เหมือนกันว่าเป็นมเมล็ดตำยาและก็รู้ด้วยว่าตนไม่ชอบแต่แล้วอุตส่าห์เอาน้ารดเอาปุ๋ยใส่ ให้ต้นตําแยมันงอกงามขึ้นผิวคันมันล่วงมาถูกตัวคันจะเป็นจะตายมือหนึ่งเกายิกๆอีกมือหนึ่งตักน้ํารดต้นตําแยปากก็บ่นว่าคันเหลือเกินฉันจะต้องรักษาต้นตําแยนี้ไว้ให้ได้ท่านผู้ฟังกรุณาคิดดูเถอะคนคนนี้น่าตําหนิและน่าสมน้ําหน้าใช่ไหมก็รู้ว่าตําแยมันคันแล้วยังอุตสาหรดน้ําใส่ปุ๋ยไว้อีกโถเอ้ย คนที่จดจำเอาคำด่าว่าล่วงเกินของคนอื่นไว้ก็เหมือนกันยิ่งคำด่าคำไหนเจ็บแสบมากๆก็ยิ่งพยายามจำไม่ให้ลืมบางทีถึงกับจดบันทึกไว้กลัวว่าจะลืมเสียความจริงคำด่าที่เขาด่าเรานั้นมันได้ละลายสูญหายไปกับอากาศหมดแล้วไปหาดูเถอะบนพื้นพิภพนี้หาไม่เจอที่ไหนที่ไหนแต่มันมาค้นขอดเหลืออยู่แห่งเดียวคือที่ใจของเราเท่านั้น นึกถึงที่ไรมันให้เจ็บใจนักคนที่เขาด่าเองเขาก็ลืมหมดแล้วจําไม่ได้ว่าด่าไว้ว่าอย่างไรแต่เราเองสิอุตรารับสนองพระราชโองการเหนือเกล้ารักษาคําด่าของเขาไว้ไม่ให้สูญหายโดยหลงเข้าใจผิดว่าที่เราจําเอาไว้นั้นเป็นการลงโทษคนที่ด่าหที่แท้เราจําไว้ด่าตัวเองคนที่ปลูกมเมล็ดตําแยของศัตรูไว้ให้มันคันตัวเอง กับคนที่จําคําด่าของศัตรูไว้ดา่าตัวเองใครเนอจะน่าอายมากกว่ากันแล้วคําด่าที่จําเอาไว้นั้นมันได้ทําให้ใครทุกข์กันแน่จาระกะก็คือการปลดเปลื้องการกระทําล่วงเกินของผู้อื่นให้หลุดไปจากจิตใจของเราเสียนั่นเองผมได้เปรียบเทียบธรรมะสข้อก่อนกับรถยนต์มาแล้วคือสะ จ, จะเปรียบกับความเร็วธรรมะเปรียบกับห้ามล้อขันติเปรียบกับดับเครื่อง ส่วนจาคะก็เปรียบเหมือนการทำความสะอาดเครื่องคือรถมันหยุดแล้วเครื่องยนต์ก็ดับแล้วทีนี้เราก็เปิดกระโปรงขึ้นตรวจตราทำความสะอาดเครื่องยนต์ถ่ายเอาน้ำมันเครื่องน้ำมันเบรกที่เสียๆออกขัดปัดถูคือทำความสะอาดใจของเราธรรมดาบ้านเรือนถึงจะสร้างใหญ่โตเท่าไหร่ก็ตามถ้าปล่อยให้มันสะกะปรกรกรุงรังก็ไม่น่าอยู่อยู่ไม่สบายเพราะฉะนั้น แม้ใครจะสร้างตึกรามใหญ่โตราคาตั้งแสนตั้งล้านผลที่สุดก็ต้องพึ่งไม่กวาดราคา6สลึง2บาทอยู่นั่นเองบ้านไม่มีไม่กวาดประเดี๋ยวก็กลายเป็นกองขยะชั้นใดก็ดีจิตของเราก็เหมือนกันไม่ว่าใครจะเป็นใหญ่เป็นโตเพียงใดก็ต้องพึ่งจากะคอยถ่ายเทอารมณ์เน่าออกจากใจอยู่เสมอจึงจะปลอดโปร่งมีความสุขท่านผู้ฟังที่เคารพเวลานี้เราก็มีอายุกันคนละมากๆแล้ว เริ่มปิดบัญชีกันเสียทีก็ดีเหมือนกันส่วนที่แล้วกันมาแล้วก็แล้วกันไปการที่เราทิ้งอารมณ์เสียนั้นไม่ใช่ว่าจะทำให้ฝ่ายศัตรูของเราได้เปรียบแต่ความจริงมันทำให้ตัวเราเองต่างหากมีความสุขสบายขึ้นความสุขของคนเรานั้นอะไรจะไปสุขเกินจิตใจปลอดโปร่งสบายเป็นไม่มีแล้วทำอย่างไรจึงจะสละอารมณ์ได้ การสละอารมณ์เน่าออกจากใจนั้นจะว่าง่ายก็เหมือนยากพูดฟังง่ายๆคือมันลืมไม่ลงคนที่เขาทำล่วงเกินเราเขาก็ไม่ได้จ้างไม่ได้วานให้เราจําแต่เรามันจาเอาไว้เองขอโทษผมอยากพูดว่าสันดานเรามันไม่ดีเองโทษใครไม่ได้ในการปฏิบัติข้าพเจ้าพยายามหาเงื่อนงาว่าทาไมมันจึงไม่หลุดออกจากจิตอยากลืม แต่มันหลือไม่ลงมันมาติดเราหรือเราไปติดมันกันแน่ก็ได้ความว่าเยื่อใยมันอยู่ที่เราฝ่ายเดียวก็เข้าแบบคนปลูกต้นตําแย่นั่นแหละปากบนว่าคันแต่มือตักน้ํารดนี่หรือความฉล า, าดของมนุษย์ผู้สําคัญตัวเองว่ามีสติปัญญามากดูเอาเถอะการสละอารมณ์นั้นเราจะต้องคํานึงถึงเรื่องเหล่านี้คือกการตีราคาอารมณ์และขอ การจัดประเภทอารมณ์กการตีราคาอารมณ์คือการสร้างความรู้สึกสนองอารมณ์ที่มากระทบเรื่องนี้มีความสำคัญมากเกี่ยวกับการสละอารมณ์นั้นถ้าเราตีราคาอารมณ์ร้ายที่มากระทบนั้นสูงมากก็หมายความว่าเราจะสละอารมณ์นั้นได้ยากมากเท่าๆกันทั้งนี้หมายถึงความรู้สึกในใจของเราในวาระแรกที่กระทบอารมณ์เช่นนั้น ยกตัวอย่างเช่นเราถูกเขาด่าพอเราได้ยินคำด่าเราทำความรู้สึกว่าคำด่านั้นร้ายแรงหรือสำคัญอย่างยิ่งเป็นเรื่องใหญ่มากพอเราเกิดความรู้สึกอย่างนี้ก็เท่ากับว่าเรายอมรับว่าเรื่องนั้นสำคัญมากเมื่อเรายอมรับเสียแต่แรกว่าเป็นเรื่องสำคัญเช่นนี้การที่จะปล่อยให้ผ่านไปก็เลยทำให้ยากนึกดูการรับแขกก็แล้วกันถ้าเราต้อนรับ เป็นการเอกเระเลิกเสียแต่แรกเวลาที่เขาจะไปก็เลยกลายเป็นการใหญ่ด้วยวิธีแก้ไขเรื่องนี้มีทางปฏิบัติได้ง่ายอยู่คือเมื่อมีอารมณ์ร้ายใดๆมากระทบให้รีบทำลายความสาคัญของมันเสียก่อนที่มันจะเล่นงานเรายกตัวอย่างในกรณีถูกด่าพอคำด่ามากระทบหูเราแทนที่จะนึกว่าด่าเจ็บหลือเกินเรากลับคิดว่าไม่สาคัญเท่านั้นเองนิดหน่อยหรือ ความรู้สึกอันใดในทำนองเดียวกันนี้เขาว่ามาทีเราก็เสกรับทีผลที่สุดคำด่าที่เขาอุตส่าห์กลั่นมาว่านั้นก็จะคลายฤทธิ์ลงทำอะไรเราไม่ได้กี่มากน้อยเมื่อเราลงสมมุติไว้ว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยแล้วการที่จะลืมมันเสียก็ทำได้ง่ายขึ้นถ้าเราไปอุปโลกให้มันเป็นใหญ่เป็นโตเสียผลที่สุดมันก็มากลายเป็นนายเหนือหัวเราท่านผู้ฟังโปรดคิดว่า คำด่านั้นจะมีฤทธิ์ก็อยู่ที่เราผู้ฟังจะรับทราบมันในลักษณะไหนแค่ไหนเหมือนกับยาถ่ายคนเขาปรุงขายท้องเขาก็ไม่เดินตัวมเมล็ดยานั่นเองมันก็ไม่เดือดร้อนแต่ถ้าผู้ใดกลืนมันลงไปมันก็เล่นงานคนนั้นให้วิ่งจูดแต่ช้าเมืดเท่านั้นเองขอการจัดประเภทอารมณ์ตามปกติอารมณ์ที่มากระทบเรานั้นมันต่างกรรมต่างวาระกัน ต่างเรื่องต่างราวถ้าเราเอาอารมณ์นั้นรวมกันเข้ามันก็กลายเป็นเรื่องหนักเกินกว่าที่จะแบกไว้ได้ยกตัวอย่างตื่นเช้าลูกทําขัดใจนิดนึงออกจากบ้านโดยสารรถเมล์เด็กกระเป๋าพูดไม่ถูกหูอีกหน่อยเราไม่พอใจแล้วเอาความไม่พอใจรายหลังไปรวมกับรายแรกไว้เราจะรู้สึกว่าความไม่พอใจครั้งหลังแรงกว่าครั้งแรกหน่อยครั้นไปถึงที่ทางาน คนนี้ขัดใจนิดคนนั้นขัดใจหน่อยเราก็เก็บรวมกันไว้เลิกงานเย็นก็เก็บความไม่พอใจเล็กๆน้อยๆรายทางมาเรื่อยจนกว่าจะถึงบ้านโดนเข้าแบบนี้กว่าจะถึงบ้านก็แย่ชักหน้าถอดรูปตาลายแล้วเห็นอะไรชักขวางในตาไปหมดแม้แต่เห็นเมียยิ้มแทนที่จะชื่นใจก็กลับรู้สึกว่ายิ้มภาษาอะไรเรากลุ้มเกือบตายยังมีหน้ามายิ้มอีก ได้ยินเสียงลูกร้องเพลงแทนที่จะเพราะหูให้รางวัลก็กลายเป็นเครื่องยั่วให้หงุดหงิดหนักขึ้นนี่เรียกว่าลมเสียเต็มทีแล้วอะไรอะไรมันขวางหูขวางตาไปหมดที่จริงอะไรอะไรมันก็ไม่ขวางแต่ตาเรามันขวางเองนี่เป็นเพราะไม่แยกเรื่องแยกอารมณ์ที่มากระทบมีแต่รับเอารับเอายกยอดไปเรื่อยไม่รู้จักขีดเส้นพักไม่รู้จักเว้นวักย่อหน้าสักทีก็ตาย มันรวมกันเป็นเรื่องใหญ่แล้วถึงทีเราจะทิ้งมันก็เลยกลายเป็นเรื่องใหญ่เหมือนเราปล่อยให้ศัตรูเข้ามาในบ้านทีละคนสองคนครั้นานานๆเข้าเขาเกิดรวมกันเป็นร้อยเป็นพันแล้วเราจะไล่ออกไปได้อย่างไรไล่แล้วเขาก็ไม่ไปเราก็แย่เองเพราะฉะนั้นเราจะต้องคิดแยกประเภทอารมณ์เหล่านั้นออกเรื่องลูกเรื่องเมียเรื่องรถเมเรื่องเรือจ้างและอื่นๆ จัดไว้เป็นเรื่องๆ เ, เรียกว่าแยกสำนวนคดีออกไว้มันสะดวกแก่การพิจารณาคดีไหนพอยกฟ้องก็ยกเสียบ้างมันก็จะเหลือน้อยลงเล่นหนึ่งเราปล่อยให้อารมณ์ร้ายมันรวมกันได้ผลที่สุดมันก็เล่นงา น, นงเราแย่บทล้างใจก่อนจะผ่านเรื่องการสละอารมณ์เน่าผมขอเวลาเล่า ว, วิธีปฏิบัติส่วนตัวสู่กันฟังเล็กน้อยที่จริงการสละอารมณ์เน่า ต้องกระทําทันทีที่มันเกิดขึ้นตามที่ว่ามาแล้วผมกระทําอย่างนั้นแต่พอหมดวันลองตรวจดูจิตใจคล้ายๆกลับยังมีอะไรค้างคาใจอยู่ใจยังไม่เกลี้ยงแท้ไม่สะอาดพอดูมันโม่ๆซึมๆการแก้ปัญหาขั้นสุดท้ายนี้ซึ่งผมจะพูดกับตัวเองว่าการล้างใจเหมือนกับเทของบดเน่าออกจากถ้วยชามแล้วก็ล้างเสียอีกทีหนึ่งวิธีล้างใจได้ทดลองหลายแบบ ผลที่สุดเห็นว่าการแผ่เมตตาตามแบบทหารได้ผลดีกว่าทุกวิธีคําแผ่เมตตานั้นว่าดังนี้คําแผ่เมตตาแบบทหารสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งนั้นจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลย จงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดวิธีปฏิบัติผมเองได้ทดลองอยู่หลายวิธีเช่นนั่งว่านอนว่าเดินว่าว่าในใจเหล่านี้เป็นต้นผลที่สุดค้นได้วิธีที่ดีที่สุดดังนี้เวลาใช้เวลาก่อนเข้านอนคือเลิกทำงานทุกอย่างแล้วสถานที่ มุมที่สงบในบ้านเท่าที่จะหาได้เช่นหน้าพระที่หน้าตาลานบ้านระเบียงบ้านและอื่นๆได้ที่สูงและโล่งดีกว่าที่ต่ำและแคบอิรยาบทยืนตัวตรงแต่อย่าเกรงมือประสานข้างหน้าหลับตาดีกว่าลืมตาวิธีสูดลมหายใจเข้าและปล่อยออกมาแรงๆหนึ่งครั้งแล้วว่าคำแผ่เมตตาช้าๆเน้นให้ถึงใจ ว่าเป็นวักวักในวงเล็บตามที่พิมพ์ไว้ใช้เสียงพอให้ตัวเองได้ยินในวงเล็บนึกในใจไม่ได้ผลอย่าให้ดังเกินไปดังนักไม่ได้ผลแล้วจะทำให้ใครๆเข้าใจผิดว่าอีตานี่ไปฟังปาถกถากลับมาแล้วยังไงเลือดลมผิดปกติไปโดยวิธีนี้พอเริ่มว่าบทแผ่เมตตาจะรู้สึกว่าอารมณ์เน่าได้ร่วงหลุดออกจากใจเรื่อยจนจบบทใจจะสดชื่นสบาย จบเรือนชั้นใน